กิมิลสูตรว่าด้วยพระกิมิลเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขตเมืองกิมิลาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรัสถามว่ากิมิละอาณาปณาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้อย่างไร จึงมีผลมากมีอนิสง์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรถามอย่างนี้ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรถามว่ากิมิละอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มาก แม้ครั้งที่สท่านพระกิมิละก็ได้นิ่งเฉยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรถามอย่างนี้ท่านพระอนนท์เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระองค์แล้วจักทรงจาไว้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์อาณาปานสติสมาธิที่ภิสษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเือภิสษุนในธรรมวิไนนี้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 อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสงส์มากหนึ่งสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว, ดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า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 หายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่า จะระ ง, งับจิตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวเวทนาอย่างหนึ่งคือการมนสิการให้ดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเหตุนั้นสมัยนั้น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 ละถึงเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีชื่อว่าย่อมกาจัดบาปอากุศลธรรมได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกิมิละสูตรที่สิบจบเอกธรรมวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งเอกธรรมสูตร 2. องโพชังขะสูตร สสุทิขสูตร 4. ปฐมภะสูตร 5. ทุติยภะสูตรหอริษสูตร 7. มหากัปินะสูตร 8. ปดทีโปปะมะสูตร 9. เวสาลีสูตร 10. กิมิละสูตร ติยวรคหมวดที่สองหนึ่งอิชานังคละสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ครุงอิชานังคละสมัยนหะนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนชื่ออิจชานังคละเขครุงอิชานังคละณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวสักสามเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบินดบาบัดเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบินดบาบัดเข้าไปถวายรูปเดียวครั้นล่วงสามเดือนนั้นไป พระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายโดยมากพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายโดยมากพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาด้วยอาณาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายขณะนี้เรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น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 อริยวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยบ้างพรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างตถาคตวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอนาปานสติสมาธิว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะ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 ตถาคตะวิหารบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอาณาปานสติสมาธิว่าอาริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตะวิหารบ้างอิจฉานังคะสูตรที่หนึ่งจบ 2องกังเคยะสูตรว่าด้วยข้อกังขาของเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งท่านพระโลมมะสกังพิยะอยู่ที่นิคโครธารามเขโครงกรบิลพั์แควแนสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาท่านพระโลมมะสกังพิยะถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งนัตถิสมควร ได้ตรัสถามท่านพระโลมาสกังพิยะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเสขวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะกับตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือหรือว่าเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโลมาสกังพิยะถวายพระพรว่าขอถวายพระ พ, พรมหาบพิษ เสขวิหารธรรมกับตถาคตวิหารธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกันเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งมหาปพิธภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าละนิวอนหประการอยู่ละนิวอนหประการอะไรบ้างคือ 1. ละกามฉันทะนิวรณ์อยู่ 2. และพยาบาทนิวรณ์อยู่ 3. ละฉีนมิทะนิวรณ์อยู่ 4. และอุทจักกุกุจจนิวรณ์อยู่ 5. ละวิจิกิจฉานิวรณ์อยู่ภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสกค่ะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า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 ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ขอพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้โดยปริยายที่ว่าเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมหาประพิษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนชื่ออิชานังคละเขครุงอิชานังคละณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสูุนทั้งหลายมาตรัสว่า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 พระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายโดยมากพระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญาเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า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 พรห ม, มวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นเสกขะยังไม่บรรลุอรหันตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่อาณาปานาสติสมาธิที่พิกษุเหล่านั้นเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจันทร์แล้วทําขีดที่ควรทําเสร็จแล้ว ลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่า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 ตถาคตาวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกังเคยยสูตรที่สองจบ 3. ปฐมมานันทสูตรว่าด้วยพระอานนทสูตรที่หนึ่ง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 ทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทาสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ทำอันเป็นเอกที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทาสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ ทำเจประการที่พิษุเจริญทํทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาอันเป็นเอกที่พิษุจิญทนาให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่พิษุเจริญทํทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิษุเจริญทํทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไร อาน o ์ทำอันเป็นเอกคืออาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปฐานสประการบริบูรณ์สติปฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงเจ็ประการบริบูรณ์โพชฌงเจ็ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อาณาปานสติสมาธิ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 จะรู้แจ้งจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าละถึงจะตั้งจิตมั่นสำเนียกว่าจะเปลืองจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลืองจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้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 สติประธานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพ่ชงเจ็ประการบริบูรณ์คือหนึ่งสมัยใดพิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมวงเล็บหนึ่งสมัยใดสติของพิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันพิกษุปรารบแล้ว ภิกษุเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บสองถอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยสาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว ภิกษุเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บสเมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันปรารพบแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารพบแล้วสมัยนั้น วิริยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุวงเล็บสีปีติไม่มีอามิต h ย่อมเกิดแกภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอาม i t เกิดแกภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว พิสุเจริญปิติสัมโพชงปิติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเลพ่าแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสสธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว ภิกษุเจริญปัสสติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ6จิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงเป็นอันภิกษุปราบแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพชฌง สมาธิสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บเจเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสมโพชงชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญอุเบขาสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ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 อุเบกขาสัมโพชงเป็นอันภิษุปรารบแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุสติปทานสประการที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชงเจประการบริบูรณ์โพชงเจ็ประการที่พิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวิัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะ 2. เจริญธรรมวิจยสัมโพชงและถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะ อานอนผูวชงเจ็ดประการที่พิสษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ปฐมมะานันทสูตรที่สามจบ สุตยะอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนทสูตรที่สองครั้งนั้นท่านพระอานนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรถามท่านพระอานนทดังนี้ว่าอานนททมอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ ทำสี่ประการที่พิสษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่ภิสษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงอาโนนทำอันเป็นเอกที่พิสษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้ทำสประการบริบูรณ์ทำสประการที่พิกสุเจรินทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิกสุเจรินทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่ทำอันเป็นเอกที่พิสุเจรินทำให้มากแล้วทำให้ทำสประการบริบูรณ์ทำสประการที่พิกสุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ ทำเจ็ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรคือทำอันเป็นเอกคืออานาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปทานสี่ประการบริบูรณ์สติปทานสี่ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงเจ7ประการบริบูรณ์โพชฌงเจประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์อาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทาให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปทานสีประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวิในนี้ไปสู่ป่าก็ดีและถึงอา non ผโพชงเจ็ประการที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ ทุติยานันทสูตรที่4จบ 5. ปพธมมพิขุสูตรว่าด้วยภิกษุสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ทำให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงเจ็ประการบริบูรณ์โพชฌงเจ็ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อาณาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์เคอภิษุในธรรมวินนี้ ไปสู่ป่า ก, ก็ดีและถึงภิกษุทั้งหลายผู้ชงเจดประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ปฐมมาภิขุสูตรที่หจบ